ก็นั่งเขามานั่งแค่เดียว น, นั่งไม่ได้ใจไม่สงบได้ใจไม่สงบผมก็นั่งไม่ได้ก็ดีอยู่มันรู้ว่าใจไม่สงบ <c oughs> รู้กด็ดีนววี่เดินมาคุณไม่รู้เอย <c oughs> รู้ว่าสงบรู้ไม่สงบสงบเป็นยังไงไม่สงบเป็นยังไงมันยาก ก็จะยังดียังไม่รู้เนี่ยงกขัดคองคลองไปโน่นเปนี่เดี๋ยวก็มว่าใกล้ถนนมันก็หิไม่สงบคุยแล้วอยู่แล้วไกลถนไม่สงบถ้าไม่เข้าสมาธิมันก็ไม่สงบถ้าเข้าสมาธิมันก็ไม่มีเสียงสมากใจอย่างเครื่องบินเหมือนกัน่ะถ้าคน ไม่มีสมาธิกปแล้ก ว, วก็งัวงูแล้วคนมีสมาธิแล้วมันก็ไม่ได้ยินเนเสียงคนไม่ได้ยินติปิดหูไส้หัวปิดตาสองข้างปิดปากก็บ้างแล้วนั่งสบายสักแจธรรมรูปสักแต่ว่าเสียงสัตว์มากินเนี่ยจะไปยุ่งทําไมรูปเสียงถ้าไปยุ่งผมก็ยุ่งแล้วคนเราชอบยุ่งสักแต่ว่าเสียงถ้าไปเอาของ เข้าในใจก็เสียงก็มันก็เป็นพิษเป็นไัยถ้าไปเข้าในใจอย่าให้มันเข้าถึงใจได้ยินแต่หูหูกิเกล็ดถ้าหูตัวนี้กิเล็หูตัวนี้เป็นล็อก็เป็นหูกิเล็ดมีแต่หูนอกหคมุกกระทะมีแต่หูนอกถ้าได้ยินเสียงธรรมแล้วมันก็ไม่ได้ยินเสียงลมถึงฟุมเสียงเฉยๆลูปก็เหมือนกันดูอะไรก็รูปสก๊อตปกไปหมด ก็จะไปยินดีอะไรลือรูบเสียงกิน่นรถถ้าเราท่องจุดนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาไ ม, ม่มันมีปัญหาเพราะเราไม่ท่องว <c oughs> รานว่าอะไระ <c oughs> ตบมือข้างเดียวไม่ดัง <c oughs> แต่ไปสนใจอะไรเพราะว่าไปสนใจนก็ได้ยินถอกเสียงรถเสียงอะไรเสียงอะไร เรากว่าเขาไมแต่เสียงนั่งเข้าไปไม่แต่อะไรมาก่อขวัญนั่นมันก็รู้อยู่ว่ามีของมาก่อกวนญนั่นถ้าแยกออกจากของก่อวนญก่เข้ามาสู่สมาธิก็มาดูล้มเนี่ยแต่จุดเดียวถ้าจุดที่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาเราไม่เข้าดูเลยไม่ไม่จิตได้เป็นสมาธิเลยไม่มีปัญญานั่นย่งจะยำแล้วย่ำไป ทำอะไรหรอกข้อสําคัญกด อ, อะไรบอกตั้งสัจจะตัวสําคัญตัวปากปากเป็นเอกก็ให้ปิดปากไว้สัจจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วถ้าไม่พูดพวกก็ไม่มีปัญหาไม่รับจะพูดตัวเราก็ไม่พูดคนอื่นพูดก็ไม่ฟังอีกปิดหูไส้หัวปิดตาสองข้างปิดปากเอบ้ากแล้วนั่งทําบุญนน่ใจสบาย ก็เพราะเแต่โลกก็ไปฟังทําไมเรื่องโลกนี่วุ่นวายนาะนะัเราก็ไปชอบแต่วุ่นวายเอาทำไมวุ่นวายความไม่ไว้นั่นเห็นไหมท้าสาวมันชนคนธรรมดาไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นไหมล่ะง่ายๆแค่นี้แต่ไม่รู้ก็เลยไปคล้องอยู่ไม่อจากหนีไม่จากหนีจากโลกก็ยังอยู่ในโลก นี่วุ่นวายเนาะนะอยากอยู่ที่วุ่นวายหรือถ้าเอาคําอยากรู่อยากอยู่เมืองนรกนะฉันไปถามพระพุทธเจ้าทาไมแต่ถามพระพุทธเจ้าในหัวใจนี้เราจะอยู่นรกหรือจะจะไปสวรรค์ไปนิพพานก็แล้วแต่เรามาฝคุยข้อจะไปสวรรค์นิพพานนิพพานรู้ยจากไปด้วยจักไปนิพพานนิพพานนิพพานหนีจากคนพาน คนพานิภายนอกคนพานภายในนีจะคนพานิภายนอกยังอยู่ภายในอีกจะคนพานิภายนอกไปห น, นีไม่ได้โอ้ยไปทานตํางไปข้าวหนีแค่นี้ไม่ได้จะไปทานข้าวเลยกินอะไรก็แล้วแต่แล่ะ <c oughs> นีแค่นี้ไม่ได้มาฝึกมาฝึก <c oughs> ไม่ไม่มีความละอายต่อพระพุทธเจ้าเลย คุณเจ้าหยุดหัวใจนั่นแหละไม่มีฮิลิไม่มีความจึนกลัวละ อ, อายต่อเปล่าตาาของบ้านเรามีตรดเรืนธรรมะกิ น, นข้าวต้นหไปกินข้าวโตไปโศลเรื่องเพิ่นะยจิาของผู้อื่นทำยังหนัาขิดหนาอยัางตัวตัวไมเป็นของสะของตางเราหามาทุกอยากลำบากตากตํำ หากหน้าตังน้ำา <c oughs> จะไปหาอย่างยุ่งใส่ใจเราเองนัถ <c oughs> <c oughs> ้าเข้าใจถ้าเข้าใจเราไม่มีปัญหาแล้ว <c oughs> ยังแบกอะไรก็แบกไปก็อยากเอาอะไรออกไป <c oughs> <c oughs> ดูไว้ใช่ว่า ป่าแบกหามไ่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้หนักอะไรไปถือไปหนักมม่ใช่แล้วไม่แบกข้างนอกข้างในก็ไม่แบกก็เบานั่นแหละหนักกายอยู่ได้หนักใจยุ่งยามันหนักตรงไหนก็ปล่อยมันทิ้งก็รู้อยู่แล้วไปแบกงนั้นก็นัยนั้นไปแบกม เขาคนอาจารย์คนอาจารย์ของใครของเราไปยุ่งกันทําไม <c oughs> <c oughs> เขาก็มานั่งแล้วเดินั่งนิดหน่อยก็ดีแล้วเอาไปฝึกเอาค่อยฝึกไปก็รู้อยู่เหี้ที่กิจของเราไม่นิง่งเดี๋ยวไปนิ่งก็อยู่ไม่ที่เราเนี่ยแหละเราไปเราให้มันนิง่องอาจารย์ ไม่ได้ยินเสียงเราตาก็เกียจเข้าดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ปู้เข า, กาเกียจไม่นิ่งมันไปอารมณ์อย่างนู้นอย่างนี้อ่าก็เข้าใ จ, จแล้วลว่ามันไม่นิ่งก็อยู่ใหไปช่วยได้ีแ <c> ต <oughs> ่ตนนั่นเน่ยตนเตือนตอ น, ต น, ต น, ตนไม่ได้ใครเราจะเตือน <c oughs> ในี้ใครเตือนก็นได้นี่ผู้เจ้ารู้จักกิจใจวินัยจิสัตย์อย่างนั้นยังเอาไม่ได้ะ ลื้อไม่ได้ปวดลือ้อลื้อได้เฉพาะผู้มีอะไรนะใกล้าจะพ่นน้าแล้วหรือจะพ่นน้าแล้วคอยแสงสว่างเนะอีกพวกหนึ่งอยู่ในตมนะอุ้ยเจ้าก็ปล่อยวางนี่จะลือ้อเถอะลื้อไปไม่ได้สอนไม่ได้ก็ปล่อยนะฮึผ <c oughs> <c oughs> ปูพึ่งจำแล้วจำอีกตัว <c oughs> <c oughs> สอนว่าสอนกล้วยฝึกว่าเขาหล่ อ, ข อ, ล อ, ขอเขาเก่ง <c oughs> เร่งเล่ง้วงกล้วยสร้างตัวใหญ่ไปได้เพามื่อคีความหลากใหม่ก็ได้นจักวิธีเขากวอมสร้างแตังแต่วิธีธรรมาสสร้างสร้างกำแห่งหลายประยกกความได้จะกูกลว้ลมไห้ไหจินหงาะกอน มันตายก็หายจินตักลวยตัวนึงมันฝึกได้แล้วจะหายจินหลอันนี้มันกันด้วยเราฝึกเราเองให้มันจินแล้วจินแล้วมันก็คือขนองนี่คือขนองสังขารร่างกายคึกขนองมันคือไปคึกขนองใจเอาไม่อยู่ฝึกมันลงตำมันมันลงตำมันมันลงหยับมันลงหยับมันลงอันนที่ฝึก เราฝึกบ่ได้เมื่อคุ้ยโอ้ฝึกยากลำบากลำบุญเลยไม่ท่าก็นอนลังต